เหตุไรการบริจาคทานจึงเป็นเหตุให้เกิดความร่ำรวยเมื่อเช้าของวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2 5งพในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังนั่งสมาธิอยู่ได้มีเทพเจ้าองค์หนึ่งมาเข้าทรงคุณสีเพนจัดตุท่าสี ซึ่งในขณะนั้นเขาก็กำลังนั่งสมาธิอยู่หลังข้าพเจ้าเทพเจ้าองค์นี้เมื่อสมัยอยู่ในโลกมนุษย์เป็นผู้ที่มีอำนาจเมตตา จ, จิตสูงมากแต่เนื่องจากท่านขอร้องมิให้เปิดเผยชื่อของท่านเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจที่จะบอกชื่อของท่านได้อันที่จริงในการมาครั้งนี้ท่านได้บอกล่วงหน้ามาหลายวันแล้วว่าท่านจะมาในวันนี้แต่ไม่ได้กาหนดว่าจะมาในเวลาไหน และตามความเข้าใจเดิมของข้าพเจ้าก็คิดว่าท่านจะมาติดต่อทางสมาธิแต่แล้วท่านก็มาเข้าทรงในขณะที่ข้าพเจ้าและขุนศรีเพนกำลังนั่งสมาธิอยู่ในการติดต่อครั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้รู้ตัวล่วงหน้าเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เตรียมเครื่องบันทึกเสียงไว้แต่ข้าพเจ้าก็ได้ซักถามเรื่องราวต่างๆจากท่านจนเป็นที่กระจ่างซึ่งใช้เวลาทั้งหมดเกือบครึ่งชั่วโมง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 ไม่เข้าใจถึงสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากท่านบอกว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันทุกคนย่อมคิดไปตามวิบากของตัวคิดไปตามพื้นนิสัยสันดานของตัวเพราะฉะนั้นจะไปหวังให้คนทั้งหลายเห็นด้วยกับเราทุกอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วท่านก็ได้อธิบายหลักวิชาให้ฟังว่าพลังของจิตเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากร่างกายของคนเกิดขึ้นมาได้ก็โดยอาศัยพลังของจิต ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากพลังจิตทั้งสิน้นคนที่อยู่ในโลกมนุษย์โดยมากมองไม่เห็นอำนาจของพลังอันนี้แต่สำหรับท่านซึ่งอยู่ในโลกของโอปปาติกะท่านรู้จักอำนาจแห่งพลังอันนี้ดีท่านขอร้องว่าให้ข้าพเจ้ามันนึกบ่อยๆว่าทุกอย่างเกิดมาจากอำนาจภายในท่านบอกว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าเข้าใจดีและเคยปตกถาบ่อยๆท่านเองก็เคยฟังหลายครั้ง ท่านบอกว่าให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องนี้บ่อยๆแล้วในที่สุดจะทำให้เป็นคนใจเย็นมีเมตตาการุณาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างกว้างขวางและลึกซึง้งแล้วท่านได้อธิบายว่าในขณะที่คนเรามีความนึกคิดจะมีพลังออกมาจากตัวเราและในเมื่อพลังอั น, นั้นประกอบไปด้วยความเมตตาการุณาเมื่อเข้าไปใกล้ใคร พลังแห่งความเมตตากรุณานี้ก็จะไปดึงเอาพลังแห่งความเมตตากรุณาออกมาจากคนนั้นๆซึ่งจะออกมาได้มากน้อยแค่ไหนย่อมขึ้นอยู่กับอำนาจจิตของเราและพื้นฐานแห่งความเมตตาที่มีอยู่ในคนคนนั้นและอีกอย่างหนึ่งแม้เราจะไม่ได้ไปหาใครหรือไม่มีใครมาหาเราก็ตามแต่พลังแห่งอำนาจจิตจากตัวเราก็จะแผ่ออกไปเสมอ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 ซึ่งมีสีต่างๆเป็นไปตามพื้นแห่งความรู้สึกหรือเป็นไปตามวิบาสของแต่ละบุคคลหมายเหตุ hate, ผู้อ่านในปัจจุบันวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็พิสูจน์ได้แล้วถึงเรื่องแสงที่ออกมาจากร่างกายหรือที่เรียกว่าออราโดยสามารถถ่ายรูปออกมาให้เห็นได้ซึ่งแต่ละคนก็จะมีสีต่างๆกันไปรับผู้ที่ชำนาญก็สามารถตีความได้คร่าวๆว่าจิตใจของผู้นั้นเป็นอย่างไร กระทั่งร่างกายอาจกําลังเจ็บป่วยตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในใจเรามีความโกรธหรือมีความเกลียดใครก็ตามกระแสแห่งความรู้สึกอันนี้ก็จะไปดึงเอาอความเกลียดออกมาจากคนอื่นด้วยเช่นเราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเห็นใครหน้าบึง้งเราก็มักจะไม่ชอบหรือบางทีก็หน้าบึ้งขึ้นมาทันที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 ยอมได้ไหว้ตอบนอกจากธรรมะข้อนี้แล้วยังทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสว่างในธรรมะข้ออื่นๆขึ้นมาอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเพราะเหตุไรการบริจาคทานจึงเป็นเหตุให้เกิดความร่ำรวยได้สำหรับในเรื่องการบริจาคทานนี้ถ้าท่านเข้าใจหลักดังที่กล่าวมาในตอนต้นแล้ว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 มีความเคารพมีความเต็มใจรับใช้ซึ่งบางคนแม้ว่าเศรษฐีจะไม่ค่อยให้อะไรเขาก็ยังเต็มใจรับใช้หรือยินดีทาประโยชน์ให้สาหรับในกรณีอย่างนี้ขอให้ดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแล้วท่านจะเห็นความจริงข้อนี้ประชาชนทั้งหลายไม่เฉพาะแต่ในเมืองไทยไม่ได้เห็นในหลวงของเราทุกคนมีความชื่นชมยินดีและทุกคนก็คิดอยู่ในใจว่า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 ทานของเขาย่อมจะต้องมีอานิสงส์มากกว่าเศรษฐีที่ทำบุญเพียงเอาหน้าหรือว่าทำศักแต่ว่าทำเพราะคนประเภทนี้ส่วนมากหากตัวเองจะต้องลำบากเพราะการให้แล้วเขาไม่กล้าให้อันหนึ่งขอให้สังเกตว่าถ้าหากเราเพียงแต่นึกอยู่ในใจยังไม่มีการกระทําออกมา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 ซึ่งหมายถึงการให้ด้วยความเมตตาการุณาหรือให้ด้วยการบูชานั้นย่อมจะต้องมีอนิสงส์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างแน่นอนอันหนึ่งขอได้โปรดนึกต่อไปให้ไกลอีกว่าในเมื่อคนอย่างเราซึ่งยังมีกิเลสและยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดและพลังแห่งความเมตตาที่สะสมเอาไว้นั้นก็ย่อมจะสืบต่อไปถึงชาติหน้าเพราะฉะนั้นท่านย่อมจะเห็นว่าถ้าเรามีเงินแล้วเก็บ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 1. เป็นคนขยันในการศึกษาเล่าเรียนและในการประกอบอาชีพ 2. เป็นคนรู้จักรักษาสมบัติที่หามาได้มีให้เกิดความเสียหาย 3. เป็นคนรู้จักใช้รู้จักจ่ายไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 4. คบแต่คนดีไม่คบคนชั่ว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 มันมีค ล, ลายๆอะไรแอบเรนซ่อนอยู่เป็นพลังที่ลึกลับเป็นพลังจะดัวใจบิดตานอกได้เปิดตาข้างในอาจรู้ความจริงเปิดดู้ใจเปิดก็ไป ข้างในเปิดไปดูความหมายเใจรับรู้เรื่องราวนตรง